สุสทิพย์นิพานเมื่อได้มองแลเหลียวเส้นปราบเรียวยามนี้อ้างวางไรบุตรเดิมเหนื่อหนาแล้วน้ำยิงไกลทุกวันพลัดหลงทางวนวินจนหลับฝันให้ตนทุกทนยิงกกำต่อกันประดุดมนทินคอยตามซ้ำเติมยิงเพิ่มกำภายแพ้ปราชัย รวมมือรวมใจกันช่วยแปรพันให้บูบานเกิดพร้อมโลกเปลี่ยนซึ่งร้ายทั่วลามาสุขนั้นคือพระธรรมอริยายอมทุ่มเทขอเพียงคนตื่นเจอแ ส, สองธรรมส่องสุประชาดแดนเมธีพบผ่านดั่ง้า รอขอทำนำชุดนาแดนเบื้องบนรอผู้ที่บรร ล, ลุประวัติจากกลางพุทธเดิมเนิ่นนานเนิ่นนานแล้วนัยิงไกลทุกวันฟันหลงทางวนวินจนหลับฝันให้ตนทุกทนยิงก่อกรรมต่อกันประดุดมนฑินคอยตามซ้ำเติมยิงเพิ่มกรรมพายแพ้ปราชัย รวมมือร่วมใจกันช่วยแระพันธุ์ให้บูบานเกิดพร้อมโลกเปลี่ยนซึ่งร้ายทั่วลามาสุขนั้นคือพระธรรมอริยยอมทุ่มเทขอเพียงคนตื่นจะแสงธรรมส่องสุขประชาดแดนเมธีพบผ่านดั่งป้าคอ รวมมือรวมใจกันช่วยระพันให้บูบานเกิดร้อมโลกเปลี่ยนึ่งราายทั่วลามาสุขนั้นคือพระธรรมอริยยอมทุ่มเทขอเพียงคนเตือนจะแ ส, สงธรรมส่งสุประชาแดนเมธีพบ่านยังปากคอ